พระองค์นั้นฟังธรรมคาพุทธะสุนักข ต, ตสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่14ข้อที่67ก็มีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ป่ามหาวันในนครเวสาลีก็ในสมัยนั้นพิสุจมากรูปด้วยกัน ได้ทูลพยากรณ์นราตผลในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าหาโพระองค์รู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องกระทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอย่งนี้ก็พระสุนัขกตกะผู้ลิชวีบุตรได้ทราบข่าวว่ามีภิกษุมากรูปด้วยกัน ทูลพยากรณ์อรสาธผลของตนจึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาทแล้วนั่งหน้าที่ควรข้างหนึ่งได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ได้ทราบข่าวมาว่ามีภิกษุมากรูปด้วยกันได้พยากรณ์อรสาธผลในสํานักของพระผู้มีพระภาคว่า เขาเหล่านั้นรู้แล้วว่าการเกิดของตนของตนสิ้นแล้วประมาจันได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําได้ทํำสาเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องกระทําเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกภิกษุที่ทูนพยากรนราตะผลของตนนั้นเป็นผู้ทูนพยากรนราตะผลโดยชอบหรือว่าภิกษุ บางเหล่าในพวกนี้ได้ทุนพยากรอราลาตะผลด้วยความสําคัญบ้าตนได้บรรลุพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบกับพระสุนคตาในที่นั้นอย่างนี้ว่าสุนคตาพวกภิกษุที่พยากรอลาตะผลในสำนักของเราบางเหล่าในพวกนี้ได้พยากรอลาตะผลโดยชอบแท้แต่ก็มีภิกษุบางเหล่าในที่นี้ ได้พยากรณ์รัตผลด้วยความสําคัญว่าตนได้บรรลุบ้างสุนากตะในภิกษุเหล่านั้นภิกษุพวกที่พยากรณ์นรัตผลโดยชอบแท้นั้นย่อมีอรารัตผลจริงทีเดียวส่วนในภิกษุพวกที่พยากรณ์รัตผลด้วยความสําคัญตนว่าได้บรรลุนั้นตถาคตมีความดําริอย่างนี้ว่า จะแสดงธรรมแก่เธอทั้งหลายสุนัขตาในเรื่องนี้ตถาคตมีความดําริว่าจะแสดงธรรมแก่ภิกษุเหล่านั้นด้วยประการชนนี้แต่ถ้าในธรรมวินัยนี้มีโมฆะบุรุษบางพวกคิดแต่งปัญหาเข้ามาถามตถาคตข้อที่ตถาคตจะมีความดําริในภิกษุเหล่านั้นในบุคคล น, นั้นอย่างนี้ว่า จะแสดงธรรมแก่เธอนั้นก็จะเป็นอย่างอื่นไปข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าแต่พระสุคตถ้าอย่างนั้นขณะนี้เป็นการสมควรแล้วที่พระผู้มีพระภาคจะแสดงธรรมภิกษุทั้งหลายได้ฟังต่อจากพระผู้มีพระภาคแล้วจะทรงจําไว้ประเจ้าข้าสุนัขะตะถ้าอย่างนั้นเธอจงตั้งใจฟังให้ดีเราจะกล่าวในบัท น, นี้ สุนกาตากามกุลมีห้าอย่างอย่างไรเล่าห้าอย่างคือรูปที่เห็นได้ด้วยตาเสียงที่ฟังได้ด้วยหูกลิ่นที่ดมได้ด้วยจมูกรสที่รู้ได้ด้วยลิ้นโพธพภะที่สัมผัสได้ด้วยกายอันแต่ละอย่างเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นที่ยวนตายวนใจรัก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจนี่แหละคือการมคุณห้าอย่างสุนัขตขก็ที่บุคคลบางคนในโลกนี้พึงเป็นผู้น้อมใจไปในโลกามิษนั้นเป็นฐานะที่มีได้บุคคลผู้น้อมใจไปในโลกามิตรก็ถนัดแต่เรื่องที่เหมาะแก่โลกามิษนั้น เขาย่อมตรึกตามตรองตามในธรรมอันควรแกโลกามิดนั้นครบแต่คนชนิดเดียวกันและถึงความใฝ่ใจกับคนเช่นนั้นแต่เมื่อมีใครพูดเรื่องเกี่ยวกับสมาบัตเขาย่อมไม่สนใจฟงังไม่เงียโสดลงสดับไม่ตั้งจิตเพื่อที่จะรู้ทั่วถึงไม่ครบกับคนชนิดนั้น และไม่ถึงความใฝ่ใจกับคนชนิดนั้นเปรียบเหมือนคนที่จากบ้านหรือนิคมของตนไปนานพบบุรุษคนใดคนหนึ่งผู้จากบ้านหรือนิคมนั้นไปใหม่ๆก็ต้องถามบุรุษนั้นถึงเรื่องที่บ้านหรือที่นิคมนั้นมีความเกษมทำมาหากินดีและมีโรคภัยไข้เจ็บน้อย บรุรตรที่มาจากเมือง น, นั้นก็จะบอกเรื่องที่บ้านหรือนิคมนั้นที่มีความเกษมทำมาหากินดีและมีโรคภัยไข้เจ็บน้อยแก่เขานั้นสุนคตะเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรเขาจะพึงสนใจบุุรนั้นเงี่ยโสดลงฟังตั้งจิตเพื่อที่จะรับรู้คบกับบุุรนั้นและถึงความใฝ่ใจกับบุุรนั้น อย่างนั้นหรือถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนั้นต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนพระเจ้า ข, ข้าสุนคตตาข้อนี้ก็เป็นฉันนั้นแหละคือข้อที่บุรุษบุคคลบางคนในโลกนี้พึ่งเป็นผู้น้อมใจไปในเหยื่อของโลกคือโลกามิตรนั่นเป็นฐานะที่จะมีได้คือบุคคลนั้นผู้น้อมใจไปในเหยื่อของโลก ขณะแต่เรื่องที่เหมาะสมแกโลกามิตรเท่านั้นย่อมตรึกย่อมตรองทำอันควรแกโลกามิตรครบแต่คนชนิดเดียวกันและถึงความใฝ่ใจกับคนเช่นนั้นแต่เมื่อมีใครพูดเรื่องที่เกี่ยวกับสมาบัตอันไม่หวั่นไหวย่อมไม่สนใจฟังไม่เงี่ยโสดคอยสดับไม่ตั้งจิตเพื่อที่จะรู้ ไม่คบกับคนชนิดนั้นและไม่ถึงความใฝ่ใจกับคนชนิดนั้นบุคคลที่เป็นอย่างนี้นั้นพึงทราบเถิดว่าเป็นบุคคลผู้น้อมใจไปในเหยื่อของโลกคือโลกามิตรสุนันคตะแล้วก็ที่บุคคลบางคนในโลกนี้พึงเป็นผู้น้อมใจไปในเรื่องสมาบัติอันไม่หวั่นไหว นั่นเป็นฐานะที่จะมีได้คือบุคคลผู้น้อมใจไปในเรื่องที่ไม่วันไว้คือสมาบัตินั้ น, แ ต, นแต่เรื่องที่เหมาะสมแกสมาบัติเท่านั้นย่อมตรึกย่อมตรองธรรมะอันควรแก่ความเป็นสมาบัติครบแต่คนชนิดเดียวกันและถึงความใฝ่ใจที่จะคบกับคนเช่นนั้นแต่ถ้ามีไกล พูดเรื่องที่เกี่ยวกับโลกามิตคือเหื่อของโลกเขาย่อมไม่สนใจฟังไม่เงี่ยโสดคอยสะดับไม่ตั้งจิตเพื่อที่จะรับรู้ไม่คบกับคนชนิดนั้นและไม่ถึงความใฝ่ใจกับคนชนิดนั้นเปรียบเหมือนใบไม้เหลืองหลุดจากกัวแล้วไม่อาจเป็นของเกียวสดได้นี้ฉันใดก็ฉะ น, นั้นเหมือนกัน เมื่อความเกี่ยวข้องไปในโลกามิตรอันเป็นเหยื่อของโลกที่บุรุษผู้น้อมใจไปในอาเนชสมาบัติคือสมาบัติที่ไม่หวั่นไหวปรากแล้วจากความเกี่ยวข้องในเหยื่อของโลกคือโลกามิตรก็แต่ว่าเมื่อบุคคลได้เป็นผู้น้อมใจไปในสมาบัตชนิดที่เหนือกว่าอาเนชสมาบัติ คืออากินจัญญายตนะสมาบัติแต่ถ้ามีใครพูดเรื่องที่เกี่ยวกับสมาบัติขั้นก่อนคืออนเนชฌาสมาบัติเขาย่อมไม่ฟังไม่เงียหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อที่จะรู้ไม่คบหากับคนชนิดนั้นและไม่ถึงความใฝ่ใจกับคนชนิดนั้นเปรยียบเหมือนก้อนศิลาที่แตกออกเป็นสองสี่แล้ว ย่อมเป็นของเชื่อมกันให้ติดไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันคือเมื่อความเกี่ยวข้องในอาเนชะสมาบัตของบุคคลผู้น้อมไปในอากินจัญญายตนะสมาบั ต, ตไปแล้วบุคคลที่เป็นอย่างนี้นั้นตึงทราบเติรดว่าเป็นบุคคลผู้น้อมใจไปในอากินจัญญายตนะสมาบัตปรากแล้วจากความเกี่ยวข้อง ในอาเนชสมาบัติสุดคตะก็แต่ว่าเมื่อบุคคลน้อมใจไปในสมาบัติขั้นที่เหนือขึ้นไปคือเนวะสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติแต่ถ้ามีใครพูดเรื่องเกี่ยวกับสมาบัติที่ก่อนหน้านั้นคืออางกินจัญญายตนะสมาบัติเขาก็จะไม่สนใจฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟัง ไม่คบกับคนชนิดนั้นเปรียบเหมือนคนบริโภคโภชนะที่ถูกใจอิ่มหนำแล้วพึงทิ้งเสียสุนัขตาในที่นี้เธอจะมีความเห็นว่าอย่างไรเขาจะมีความปรารถนาในก้อนพัดอย่างนั้นหรือขาอนั้นถามไม่ได้เลยพระเจ้าคาเพราะว่าก้อนพัดนั้นตนเองจะมีความรู้สึกว่าเป็นเหมือนของปฏิกูลเสียแล้ว สุนกักตาข้อนี้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันคือเมื่อความเกี่ยวข้องในอากินจัญญายัตนะสมาบัตอันบุคคลผู้น้อมใจไ้ในสมาบัตขั้นที่เหนือขึ้นไปคือในวาสัญญานาสัญญายัตนะสมาบัตเขาขายได้แล้วบุคคลที่เป็นอย่างนี้พึงทราบเปิดว่าเป็นบุคคลผู้น้อมใจไปในสมาบัตขั้นที่เหนือกว่า วืเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติปรากแล้วจากความเกี่ยวข้องในสมาบัติขั้นที่ต่ำกว่าคืออากินจัญญายตนะสมาบัตินั้นสุนคขตะก็แต่ว่าเมื่อบุคคลเป็นผู้น้อมใจไปในนิพพานโดยชอบข้อนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้คือบุคคลผู้น้อมใจไปในนิพพานโดยชอบ ทนานแต่เรื่องที่เหมาะสมแก่นิพพานโดยชอบเท่านั้นย่อมตรึกย่อมตรองธรรมะอันควรแก่ความเป็นนิพพานโดยชอบคบแต่คนเช่นเดียวกันและถึงความใฝ่ใจกับคนเช่นเดียวกันแต่ถ้าเมื่อมีใครพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับสมาบัติขั้นก่อนคือเนวสัญญานาสัญญายาตนะสมาบัตินั้นก็ย่อมไม่สนใจฟังไม่เงียโสดคอยสดับ และไม่ถึงความใส่ใจกับคนเช่นนั้นเปรียบเหมือนตานยอดด้วนที่ไม่เกิดไม่มีไม่เป็นอีกขึ้นมาได้นี้ฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อความเกี่ยวข้องในเนวะสัญญานาสัญญายัตนะสมาบัติอันบุคคลผู้น้อมใจไปแล้วในนิพพานโดยชอบตัดขาดแล้วถอนซึ่งรากแล้วไม่ให้มีไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นเหมือนตานยอดด้วน บุคคลที่เป็นอย่างนี้นั้นพึงทราบเถิดว่าเป็นบุคคลพูดน้อมใจไปแล้วในนิพพานโดยชอบปรากแล้วจากความเกี่ยวข้องในเนวะสัญญานาสัญญายตนะสมาบัตินั้นสุนาคาตาข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือจะมีภิกษุบางรูปในกรณีนี้มีความเข้าใจของตนว่าฐานานั้น สมณะกล่าวกันว่าเป็นลูกสรโทษอันมีพิษของอวิชชาย่อมงอกงามเพราะอำนาจความกําหนัดด้วยความพอใจคือฉันทราคะและพยาบาดลูกสรคือตัณหานั้นเราละได้แล้วโทษอันมีพิษของอวิชชาเราก็นำออกไปหมดแล้วเราเป็นผู้น้อมไปแล้วในนิพพานโดยชอบดังนี้ แต่เมื่อเธอน้อมไปแล้วในนิพพานโดยชอบอยู่แต่เธอนั้นกลับตามประกอบซึ่งธรรมอันไม่เป็นที่สบายแกผู้น้อมไปแล้วในนิพพานโดยชอบคือกลับไปตามประกอบซึ่งธรรมอันไม่เป็นที่สบายในการเห็นรูปด้วยตาในการฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้น ถูกต้องโผฏบาด้วยกายและรู้สึกถึงธรรมารมณ์ด้วยใจอันล้วนไม่เป็นที่สบายเมื่อเธอตามประกอบซึ่งธรรมอันไม่เป็นที่สบายเหล่านี้อยู่ราคะย่อมเสียบแทงจิตของเธอเธอผู้มีจิตอันราคะเสียบแทงแล้วย่อมถึงความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายสุนัขตา เปรียบเหมือนเมื่อบุรุษถูกยิงด้วยลูกศรที่อาบไว้ด้วยยาพิษอย่างแรงกล้ามิตรอาาตย่าติสายโลหิตของเขาจึงจัดหาหมอผ่าตัดมารักษาให้หมอได้ใช้สารตราชำระปากแผลของเขาแล้วใช้เครื่องตรวจค้นหาลูกศรเมื่อพบลูกศรแล้วก็ถอนออกกำจัดโทษอันเป็นพิษ ที่ยังมีเชื้อเหลืออยู่จนรู้ว่าไม่มีเชื้อเหลือติดอยู่แล้วหมอจึงกล่าวกับบุคคลนั้นอย่างนี้ว่าท่านบุเจริญลูกศรถูกถอนออกแล้วโทษอันเป็นพิษระนาออกจนไม่มีเชื้อเหลืออยู่แล้วท่านไม่มีอันตรายแล้วและท่านจะบริภโภคอาหารได้ตามสบายแต่ยาไปกินอาหารชนิดที่ไม่เป็นที่สบายแกแผล ทันจะทำให้แผลอักเสบและจงล้างแผลตามเวลาทายาที่ปากแผลตามเวลาเมื่อท่านล้างแผลตามเวลาทายาที่ปากแผลตามเวลาแล้วอย่าให้นองและเลือดกระกละังปากแผลและท่านอย่าเที่ยวตากลมตากแดดอย่าให้ฝุ่นละอองของโศโโรคเข้าไปในปากแผลท่านผู้เจริญท่านจงเป็นผู้ระวังรักษาแผล มีเรื่องแผลเป็นเรื่องสําคัญตะนะดังนี้บริโนั้นกลับมีความคิดอย่างนี้ว่าก็หมอถอนลูกศรให้เราเสร็จแล้วโทษอันเป็นพิษหมอก็นําออกจนไม่มีเชื้อเหลืออยู่แล้วเราหมดอันตรายแล้วเขาจึงบริโภคโภชนะที่สแสลงเมื่อบริโภคโภชนะที่สแสลงแผลก็กําเริบและเขาก็ไม่ชาระ ปากแผลตามเวลาไม่ทายาที่ปากแผลตามเวลาเมื่อเขาไม่ชำระแผลตามเวลาไม่ทายาที่ปากแผลตามเวลาแล้วน้องและเลือดก็เกระดกกระลังปากแผลและเขาก็เที่ยวตากลมตากแดดปล่อยให้ฝุ่นละอองของโศโครกเข้าไปในปากแผลและเขาไม่ระวังรักษาแผลไม่มีแผลเป็นเรื่องสำคัญเขานำโทษพิษ อันไม่สะอาดออกไปด้วยการกระทำอันไม่ถูกต้องเหล่านี้แปลจึงมีเชื้อเหลืออยู่แปลก็บวมขึ้นเพราะเหตุทั้งสองนั้นบุรุษนั้นมีแผลบวมแล้วก็ถึงซึ่งความตายบ้างหรือได้รับทุกข์เจียนตายบ้างข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นคือพิสษุ์บางรูปสำคัญตนบ้าน้อมไปแล้วในนิพพานโดยชอบ แต่ประกอบในธรรมอันไม่เป็นที่สบายแกการน้อมไปในนิพพานโดยชอบราคะก็เสียบแทงจิตของเธอเธอผู้มีจิตอันราคะเสียบแทงแล้วย่อมถึงซึ่งความตายหรือความทุกข์เจียนตายก็ในอริยวินัยนี้ความตายหมายถึงการบอกเลิกคืนสิกขาเวียนไปสู่เพศต่ำแห่งกรอหัสความทุกข์เจียนตาย หมายถึงการต้องอาบัตอันเศร้าหมองยังได้อย่างหนึ่งสุนัตะและข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือจะมีภิกษุบางรูปในกรณีนี้มีความเข้าใจของตนว่าตานานั้นเมนะ ก, กล่าวกันว่าเป็นลูกสอนโทษอันมีพิษของอวิชชาย่อมงอกงามเพราะความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจ ด้วยฉันทาราคะและพยาบาทลูกศรคือตัณหานั้นเราลาได้แล้วโทษอันมีพิษของอภิชาเราก็นำออกไปหมดแล้วเราเป็นผู้น้อมไปแล้วในนิพพานโดยชอบดัแบบ่งนี้เมื่อเธอน้อมไปแล้วในนิพพานโดยชอบอยู่เธอก็ไม่ตามประกอบซึ่งธรรมะอันไม่เป็นที่สบาย แก่ผู้น้อมไปแล้วในนิพพานโดยชอบคือเธอเป็นผู้ตามประกอบในธรรมอันเป็นที่สบายแก่การน้อมไปในนิพพานโดยชอบคือเธอไม่ตามประกอบซึ่งธรรมอันไม่เป็นที่สบายในการเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องพลัดเปลด้วยกาย รู้สึกทำมารมด้วยใจอันล้วนไม่เป็นที่สบายเมื่อเธอไม่ตามประกอบซึ่งทำอันไม่เป็นที่สบายเหล่านี้อยู่ราคะก็ไม่เสียบแทงจิตของเธอเธอผู้มีจิตอันราคะไม่เสียบแทงแล้วก็ย่อมไม่ถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายสุนคตะเปรียบเหมือนเมื่อบุุษ ปูกยิงด้วยลูกศร อ, อันอาบไว้ด้วยยาพิษอย่างแรงกล้ามิตอมายญาตีสายโลหิตของเขาจึงจัดการหาหมอผ่าตัดมารักษาหมอได้ใช้สาตราาำระปากแผลของเขาแล้วใช้เครื่องตรวจค้นหาลูกศรพบแล้วก็ถอนลูกศร อ, ออกนำออกซึ่งโทษอันเป็นพิษจนรู้ว่าไม่มีชื่อเหลืออยู่แล้ว บอ่อนั้นก็กล่าวกับบุคคล น, นั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญลูกศรถูกถอนออกแล้วโทษอันเป็นพิษเรานำออกจนไม่มีเชื้อเหลืออยู่แล้วท่านหมดอันตรายแล้วและท่านจะบริโภคอาหารได้ตามสบายแต่ท่านอย่าไปกินอาหารชนิดที่ไม่เป็นที่สบายแผลอันจะทำให้แผลอักเสบและจงล้างแผลตามเวลาทายาที่ปากแผลตามเวลา เมื่อท่านล้างแผลตามเวลา้ายาที่ปากแผลตามเวลาอย่าให้นองและเลือดเกลือกลางปากแผลและท่านจงยาเที่ยวตากลมตากแดดแต่ถ้าเมื่อเที่ยวตากลมตากแดดก็อย่าให้ฝุ่นละอองของโสโครกเข้าไปในปากแผลท่านผู้เจริญท่านจงเป็นผู้ระวังรักษาแผลมีเรื่องแผลเป็นเรื่องสำคัญะนะดัง น, นี้ บุตรนั้นมีความคิดว่าก็หมอถอนลูกศรให้เราเสร็จแล้วโทษอันเป็นพิษหมอก็นําออกจนไม่มีเชื้อเหลืออยู่แล้วเราหมดอันตรายเขาก็บริโภคโภชนะอันเป็นที่สบายและประพฤติตามที่หมอสั่งทุกประการเขานําโทษพิษอันไม่สะอาดออกไปด้วยการกระทําอันถูกต้องเหล่านี้แปลจึงไม่มีเชื้อเหลืออยู่ และงอกขึ้นเต็มเพราะเหตุทั้งสองนั้นเขามีแผลงอกเต็มแล้วมีผิวหนังราบเรียบแล้วก็ไม่ถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายกรณีฉันใดก็ฉัน้นเหมือนกันคือข้อที่ภิกษุบางรูปในกรณีนี้สำคัญตนบ้าน้อมไปแล้วในนิพพานโดยชอบแล้วไม่ตามประกอบในธรรม อันไม่เป็นที่สบายแกการน้อมไปในนิพพานโดยชอบราคะก็ไม่เสียบแทงจิตของเธอเธอมีจิตอันราคะไม่เสียบแทงแล้วย่อมไม่ถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุกข์เสียนตายสุนกตะอุปมานี้เราปลูกขึ้นเพื่อให้รู้เนื้อความคือคำว่าแผลเป็นชื่อของอายทนะ ไปในทั้งหโทษอันเป็นพิษเป็นชื่อของอวิชชาคาว่าลูกศรเป็นชื่อของตัณหาคาว่าเครื่องตรวจเป็นชื่อของสติคำว่าศาสตราเป็นชื่อของอริยปัญญาและคำว่าหมอผาตัดเป็นชื่อของตถาคตผู้อรันตะสัมมาสัมพุทธะสุนคตะ ข้อที่พิสษุนนั้นทำความสำรวมในอิยตนะอันเป็นที่กระทบหกอย่างรู้ดังนี้ว่าความยึดถือเป็นรากเหง้าแห่งทุกข์จึงเป็นผู้ปราศจากความยึดถือพลนวิเศษแล้วในธรรมอันเป็นที่สิ้นปลายแห่งความยึดถือจะน้อมกายหรือปล่อยจิตไปในความยึดถือนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ เปรียบเหมือนภาชนะมีน้ำดื่มเต็มเปี่ยมถึงพร้อมด้วยสีด้วยกลิ่นและด้วยรสแต่เจือด้วยยาพิษเมื่อมีบุรุษผู้รักชีวิตไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์มาถึงในทีนั้นเข้าสุลังกตะเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่ายอย่างไรบุรุษนั้นจะบึงดื่มนะ้ำที่เต็มเปี่ยมภาชนะ ทั้งๆ ท, ที่รู้ว่าเดิมเข้าแล้วจะถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุกข์เจี่นตายข้อนี้จะเป็นอย่างนั้นหรือข้าแต่พรุอมคผู้เจริญข้อนี้หาเป็นเช่นนั้นไม่พระช้าข้าสุน ก, กาตาข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแหละคือข้อที่ภิกษุนั้นทำความสำรวมในอิยตนะอันเป็นที่กระทบทั้งหกอย่างนี้แล้วและรู้ว่า ความยึดถือเป็นรากเหง้าแห่งทุกข์จึงเป็นผู้ปราศจากความยึดถือคนวิเศษแล้วในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งความยึดถือจะน้ากายหรือปล่อยจิตไปในความยึดถือนั้นนั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้คือเปรียบเหมือนงูพิษมีพิษร้ายแรงเมื่อบุรุษผู้รักชีวิตไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์ พึงมาถึงเก้าในที่นั้นสุรคตาเธอจะสําคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษนั้นจะยื่นมือหรือหัวแม่มือให้แก่งูพิษที่มีพิษร้ายแรงนั้นทั้งทั้งที่รู้ว่าถ้าถูกกัดแล้วจะเข้าถึงความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายอย่างนั้นบ้างหรือ no ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้พระเจ้าข้า สุนการตาข้อนี้ก็จันทนั่นหละคือข้อที่บุคคลทำความสารวมในอายตานะอันเป็นที่กระทบหกอย่างนั้นและรู้ดังนี้ว่าความยึดถือเป็นรากเหง้าแห่งความทุกข์จึงเป็นผู้ปราศจากความยึดถือพลวิเศษแล้วในธรรมเป็นที่สิ้นแห่งความยึดถือจะน้อมกายหรือปล่อยจิตไปในความยึดถือนั้น นั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาสิคนี้แล้วท่านพระสุนคตะผู้ฤิชวีบุตรเชื่อจมในปาสิคของพระผู้มีพระภาคแล้วสุนคตะสูตร จ, จบฟังธรรมคำพุท ธ, ธะ